นะโมตัสสะพระกวัตอะระหัตถุตัมมะตัมพุทธะนะโมตัสสะพระกวัตอะระหัตถุต <c oughs> ัมมะตัมพุทธะนะโมตัสสะพระกวัตอะระหัตถตัมมะตัมพุทธะทัสมโมฮะเวะรักาติ ธรรมจารีติถ้าขอความจริงธรรมหงโลกที่ตั้งใจมาสมาทานสิขก็ตั้งใจฟังธรรม ในหัวข้อความจริงของชีวิต<ม>คำว่าความจริงของชีวิตคือชีวิตของเราเนี่ยทุกเรื่อะทุกหนา<ม>ครับขอเราต้องใช้าย เราปฏิเสธไม่ได้เลย mm hmm. ชีวิตเราต้องใช้กายเมื mm ่อ hmm. เราใช้กายใช้อะไรใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้น ใช้กายแล้วก็ใช้ใจเมื่อเราใช้าตาตาก็บอกเราสังเกตใไหมตาเมื่เราใช้มืดเนยสังก <c oughs> เกตเด็กทุกคนเนี่ยใช้เขีย่ยไม่ไลับด้นบนนอนตายซนะแล้ว ตาสวยตาสวยรับเวลาใช่มากขึ้นเนี่ยใช้ตาเป็นอะไรส่วนโลกตาเป็นโลกเป็นอะไรหัว เวทนาจังตาเกิดนี้วภาษาส า, ส ม, า, า, สามารถเคลื่อนเวทนาภาษามาลดแต่ก็ปวดมีตาก็ปวดหูก็เหมือนกันเราใช้หูไหมหูหูเนี่ยเราใช้มือเนี่ย ที่ฟังเสียงตาบางครั้งใช้เการไปโอ้ก็ทั้เกิดไปมั น, ก, น, ก, น, น, ก, นก็เสืยแหละตาก็เสื่อมใามดอชายเมื่อก็เสื่อมเล่นก็เหมือนกันชายเมื่อมันก็เสื่อม กายก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันเมื่อถูกช้โดยพระลรมก็ส่ายไปเสื่อมไปและเปรตได้เปรตเวทมนตร์กายเจ้ามีแต้ไหนไปล่ะมยมาเปิปด ไม่ปวดปวดแต่ลรก็เลยปวดเม่ไดนบครั้งปวดที่ะปวดที่สั้ปวดตาปวดฝันปวดเท้าปวดขาปวดเอวบุ่งไปภาษาธรรมว่า มาพิจาราหลักคำสอนเพราะหลักคำสอนกับวิจารณ์เนี่ยสอนให้ามารุดมีปัญญามีปัญญาว่าชีวิตเราทำยังไงให้การมาอยู่ได้ทำไมให้กาาอยู่ก็รอ้ก่อนหนึ่ง อมนุษไม่มีอำนาจผู้มนุษย์ไม่มีอำนาเชื่อใครเชื่อความยากมอความยากมันเปล่งแต่จิตมันยากโดยมันยากตัเดยเว ใ่ความยากก็แม่ปรุงแต่งแะนี่พอปรวงแต่งไป Yeah. Uh -huh. กนน็พบตามมาแล้วจริงจร่าแบบผูป้ป่วยงนี้นีนนนน่นัวว่การเนี้เนี่ยเความปวดมันจะกิเจ้าจิตเนี่ยเจ้าจิตของตัวเองเนี่ยรอารมณข้อ จิตสมัยมันป็อยู่ที่ตัวแลที่จตเป็นอมเสาราอยู่ที่ตัวแล้เราจะิตเป็นมตายราตเลยวกัื่นยึดกมันเลย ปวดขาหยุดขาปวดท้องหยุดท้องปวดตันยุดปันปวดตาหยุตาปวดศีรษะหัความจริงความจริงของปวดความจริงของเวทนาขันธ์เนีที่สอให้ดู เหตุของปวดเหีดของปวดที่ปวดข้องนั่นเองเนี่ยปวดปวกปุ๊กจิตใจก็ทาลยนี่เราต้องพิจารณาเหตุบ้าเราต้องท้่ใครนี่เราคด่าใ้นี่เราต้องพิจานเหเตุงตง น, นี้ ขระที่เราเกิดัน ญ, ญาตาอาวุธทรไมได้อาวุธพรไมนั่นลวก็มีสติมีสติแล้แลรู้กังยับมีการสัมผก็เปลี่ยนไปจากปัดทูดทางขวาปัจจุบัทางซ้ายหรืวอว่าผอมขางทุก พอจะจิตาโนน่งนิ่งนานถ้าน่งนิ่นานเปิดก็มียึดก็มีเปิวก็มียึดก็มีใจติดก็ยึดเลยนิ่นิ่งนิ่งให้รู้เ็มันเปแล้วก็เปลี่ยนไปก่อนเ่นก่อนเปนใจบ้างจังหวะบ้างขาดจัี่เอาก็เปน ตจจังซ้ายจังขวาจังขวาจังซ้ายอีกเรื่อว่าผ่อนคลายทบไม่รู้แบบนี้เลยนม่สนายใจเลี่เราได้มาเจอเองที่ให้เราได้เรื่ของปวดพอผ่อนคลายไปมันรับ พระบาทไปแล้วแล้วเวสภะเกิดอกอันนี้เรื่องจิตหลงนะปุถุนาให้ยืดให้ยืดว่าเวสภะนั่นเองเกิดแล้วความคิดของพระองค์นะอ่ายืดหลองไปแล้วก็พากิจจะสร้างไว้ที่ฐห ให้จิตวูดที่สองลมลมเข้าลมออกทำหายใจเข้าโคทำหายใจออกโซทำหายใจเข้าพโคทำหายใจออกโซทำหายใจเข้าโคทำหายใจออกโซ ถ้าเราฝึกพลังของพวกเรสติสมัชย์ั น, นยะของันเองที่ฝึกไว้ครัมงตัวพอพอาคิตรบุกับทุกโถความปวดที่ขาแับจจีก็เกิดเป็นอย่างอ๋ปอปวดที่เท้าจิจีก็ปวดคล อ, องต จิตเรารับรู้าา อ, อารมณ์อย่างเดียวแต่จิตไม่ได้ปวยรับรู้อารมณ์แล้วก็เรียกอารมเป็น อ, าาน อ, อปุปาทานคําว่าราเป็นอุปาทานเรคํโเรีว่าที่จิตยึดกายแต่ปวดที่พระจิตเับปวดที่กาย แต่กจิตรับรู้อารมณ์แต่จิตมัปวดรับรู้อารมณ์มันก็เวียนนี้ท่านก็สอนจิตอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมีจิตอยู่กับพุทโธพุทโธมีจิต กระแสจิตสวยอีกแล้วเสียลระเยของความสงบใจก็ยังรู้ต่อไปทำให้กระแสจิตไปสวยอากแล้ความสงบใจทีนี้เราทำสอน่อนเบื้องต้เนี่ยใหามันรู้จบหไร ให้ที่เขาค้นพบให้ที่เขาสกัดสมาธิดได้นี่ทำให้ใจนะ ม, มันอกกลมใจที่อบกวมใจเพราะใจทำหนุนจังทำหนุกระฉามไ้ทำหนุนกระฉามไปทำหนันกระฉามไปมีความดุจใจ ค น, นคนของพระธรรมเจ้าคนของพระองค์ส่งกับเจ้าอยู่ในใจิตนนี้จิตก็อุ่นใจแล้ววินี้ใจป็นเองมีคนมาจะนั่งเป็นข้อมิตรแล้วอันนี้ถ้าจิตทีงเีปกผูเป็อะไรยึดนัวเเลยงานที่พระเจ้าจริงๆจะสัตว์สิ่งคืจริงอกนี่แหละ การอะไรก็ว่าทุกส่วนมีตัวเวจรูปคันจิตตั้งตาหมายมือมีตัวปลุหมดเลยการเวจรูันเนี่ยนามาอะไรก็วลาทุกส่วนเนี่ยมีตัวเวจรนปมีตัปวด เราต้องฝึกหักใจจำอย่างนี้งให้ใจเราไปพุทโธเนี่ยพุทโธเกิดขึ้นเองเจ้าเ็นเอกนีไม่เคยสอนก่อนพระเจ้าแล้วเพราะพระสอนให้มนุวย์เรืองตาเห็นธรรมถ้าม่เรืองตาเหน็นธรมขึ้นดงจิต m mm ह -hmm. กายตนเองเนี่ยถ้าเรามองเห็นเนี่ย<ม>สุขะแข็งกระรูปแของอยู่เนี่ยเมื่ออดิตมาดูและในกายในกายมันก็แตกกว่าอดกายเป็นะไร ผมที่เราใช้ตันี้เนี่ยผ ม, มผมที่เราใช้เราไม่ไม่ทำน้ำเปเล่าเปล่ไปไหยผมก็มีกินซองหน้วแม่เราไม่ เ, เ, เลี้ยงเราไปไหนฟังไม่ฟังฟังไปไลย งานไม่ทำานตรงไหนที่เราพยายามเอาเราไม่ควรจะมีเลยจะดูออกตรงไหนดีจิตดูใช้ให้จิตดูมัดูในตรงนี้เอา ของบ้านเห็นแล้วเป็นไงคือมันเปตนกายวังกับจาวาครั้งนีกผูกเข้ากับกายก็กายเป็นควา้เพลินวือเพื่ที่มนจ่าเชื่อพืมาูกเข้ายก็กลายเป็นความี้เพน งานเ่าท mm ุก hmm. ม mm ัน hmm. ด mm ีทุกมันดีงานมาถูกก็ปลอดภัยการออกเป็นไงงานตายงานเล่นที่เราใช้หู เ้าแชาอยู่กรงนัจนกว่านักเ้ายนเสษียณจบไปพังสลายไปที่เราพยายาลรักษาโลกเกื่อตายถึงก็เป็นด้วมากรรมคนไหนมีกรรมนั่งกะโลกมา เราใช้การทำใจทำหูทำหน่วนกายใจเพราะคนเราทากันไม่เหมือนกันบางคนทำกรรมทำใจบางคนไปทากรรมทำหูบางคนไปทากรรมทำหนูทำกนรปทำลืมทำกัรมทำกาย ทำตามทำใจอัน<ม>นี้่บอกกันไม่หมืมอนการทำตามทำใจบ<ม>างคนโลกมาคนโลกมาเราขาดความดีกับมาคนโลกโลก็สร้างโก พระเจ้ากหนาอารมณ์ า, ราปรมานะพระคนที่เกิด ม, มีไม่มีโรคเป็นโรคอันตรายคือปวยร้ายทุยกข์หนัคนที่มีโรคก็ ม, มีปวยมีเรืรเ่องมืม้อเดือดร้อนในจริงเป็นคนยากไร้ เราครับแล้วก็เดินไปยังส่วนกายแล้วก็ส่วนลรใจเนี่ยเราต้องศึกษาไว้เราศึกษาเมื่อเราศึกษาเข้าใจความยัส่วนกายก็เบี่สุดส่วนลมใจาก็เบี่งสุดส่วนใจก็เบี่สุด ส่วนตานี่ก็ว่าผมเห็นแต่บสดทธิความบรสุของกายสุทจิตกลางบรสดทธิจิตสุธอารมณ์อางเก็เจขงเเนี่ยที่มนอ เราคิดจะลองดูแต่เราเป็นแต่งอารมณ์มากเมื่อมาไจทำงาดูใจก็มึนคิดทุกคนเลยแลบทุกวนตุนแต่งทุกวันเร่องจะคิดอะรง้อรื่อจัดง้ก็คิด เรื่องจะทิดกันหมดมันโขกกระสอนาเราเิมใใจเต้านีใจก็ขมใจก็เศร้าใจก็หดเอือใจก็พ้อทอใจก็ช้าช้าเรืมองะพบเพื่งไหนนี้ใจก็ขุใจก็ เ, เใจขมบ จก็สู้หมอขสอของเรอ้ามกระทบใจนี่หละพอกระทบใจกลางก็ไปตาอารมอารมณ์อของเราเพอารมณ์อของความโกรธอารมณ์อของความหวี่ติดตัวลยเ่ออาร้าาตดอยู่ติดตัวเราฝึกดูเนี่ย ที่จิตต์ตัหาอย่จิตตัณหาในตอนนี้นมันทึ้มนี่เราเปิดประตูมันเาเข้าเองอเข้ามาเองก็หมดมาแล้วก็ความเย็นก็เกิดตาย็นใจใจก็สบายจายิตสงบเงีับ การสติดของตงเอ ง, <Yeah. S 1> ง, ง, งนเนี่ยการเสียดการสงบการสงบจนมีความใจก็ยังลงหลงหลงน้อยความสงบความเงนเกิดท mm ี hmm. ่เกิดไมเคยไดมีพุธทธะเกิดความใจก็มี ขอนอนมาปเป็นทุกข์เจ้าพ่อไม่ไ้พอภายในใจของเามันเกิดดังนั้นสภาพจิตเนี่าต้อึกสอนไว้าออกมากระทบเราก็รับเอามากระทบระท มีท er ั pues an, ้งติ่เจ้าก็เปนยโลูกก็ะาลูกก็มานี่มันเป็นศาสตร์ผู้ตัดสานผู้เจ้าสอนว่จิตตาวิจิทริรักษาความบริสุทธิ์ตัณหาวิจุตริมีตัยา ันเห่านี้ทั้งหมอ เ, เนี่กมันเก้ก็ดัเกิ้ก็ดับเกิดแ้วั็ดันี่คือบงการตกหน้าไมันต่างเนี้ยนี่ทานฝึกไว้การถ่ายจเป็ น, นทุกข์เลยนีครบมูลสุดขอบมอลดาวนั่คืารกับพระเจ้ า, าถ้าพระเจ้ามาคิดคน สะเผาแล้วกาจะเผแล้วจิตความมนุษย์อันนี้มนุษย์ถ้าเราไม่เหงาเลยถ้ามีปัญญาควรกระสอไว้<ม>แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ไม่มีปัญญาก็ม่ร้ to him. เงินที่เขาเป็นตังค์ความัฉลยวทุกอย่างที่อาศัยการก็อาศัยชุดผ้าผ้าใส่บ้านเรือนก็อาศัยการมีอาศัยร่างกายวัดตัวต่อไปแต่ว่า ส่งแนวร่งตาจากความแรงความมันตะทะลุนี่มันเป็นาสาดรหนึ่งบท ศ, ศาสตร์ศาสตรวิจิตรศาสต์จิตรนาทิคงนะส่งวร่องตาเห็นทรรคือแนวจัดเกิดปัญญาคลังกาสอ น, นุิจิเนีน่ย สอนข้อว่้งไงสากกาวละสุขิให้เป็นตำแ น, น่งบุตินีอ่นมักงเนี่วนี่ทางโดนความบจชาตัมมาทิปิตัม ง, งานังกตโตสัมเวาจาตัมมังกัมันโตสัมมาจา เนี่ยไเอาเครือข่าเนี่ยเราเครื อ, อ, อข่ายคำสั่งของพระเจ้าขึ้นได้เลยออกกาทุกสิเป็นตนัวเมือดทิฏฐิวันทิฏฐิได้รู้ความเป็นี่ชาวตาที่มีเยอะไปตั ว, วหไหม น, น, น, น, น, น, นี่เราอยู่ในเครื่องกระทบมันยังไงในโลกสามมิติใบางเครื่องกระทบพกระทบมาก่อนคับเปิ้ลคำสอนไ้น่เคที่เี่วับเรื่อบุ๊ของเครื่องกระทบเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ย ยามนี้สังคมเปล่นไปเพื่อจ้างห้ร้านสกัดวิตกก็ออกไปมีทางเลือกที้เราเลือกเงได้เพราะันสอนวิจิเนี่ยไม่ไ ม, ม, ม, มีเป็นศาสยร์ที่เิจ้ศาสตร์ที่มีญญา เราใมนุษย์เกิดมาไม่ปาด้งสมนบนนี้บนก็พไปเลยพามันเอณไปวิญญาณใโลกระมลูกเราก็จะมีมนุษย์ไม่เปนยา่นุษย์มปา อเอบตายเมื่อไรตายเมี่องที่าาตานมื่รก็มีอาณไอ้ผู้ครองมันเ้ฟองคำนะก็เป็น่ครองเาะนี่มันรล้เกิดมาไม่มีปัญญาเป็นที่ของอวยิ่งสลบไปเลยเนี่ยพิ่งลเลป มนุษ์ที่เกิดมในชีวิตอยู่ในชีวิตนี้ไม่มีปัญญาเป็นธาของอามเป็นทาของอริยาเป็น้าของสมอัไปแเรวก็ ส, สกใใกร้างเบินทางไปแต่มนุษย์ที่เกิดมาไม่มีปัญญาจะอยาง เชื่อคำสอนที่เราเชื่อตรงนี้เรามีปัญญาเนี่ยฉะนั้นพี่จะมานี่ปูรับแบบธรรมสอนความตป็จนจิของจริตให้ยอดบ่มามไปตลอดไปทุกที่ทุกเมืี่วัดทุกสํานักเกิดปัญญาฉะนั้นพติบติตามนลัก สังฆางภเมื่อเพ่แบงขนละต้นสาเคือคนตามปฏิทินคนตามธรรมะเจ้าคุณกองพระอาจาเป็นต้นนะจพิ่มของรางที่กต้อกอนถูกมามกดจะมาถูกดองถาดองันจะเจิพถนา เราก็เจอทุกพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ปรึกษากันนักคนตอนนี้นีระดาาทาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาามาาาาาาาาาาาาาาัารตาาาาาาาาาาาาาาาากาาาาาาาาาาาาากสาาสาาาาาาาาาา ท่านเดินท่านเดินเดียร์าสัันี่เรื่งเล่านี่ยเจ้าหนุ่มหลพ่ตดากจะาตมทานคบาจารย์อิสาน่ื่อมาเที่ยไเอะดูชาวทนี่มเจ้าหนุ่มหอรงน้มา หกัจากเกิดพิูาพะสงฆ์อท้งาับตัวไปไหนไม่ได้เยส่วนมันแปลในย่างโกบองีสงาแล้วก่อ้าไม่ไองคังหายแล้วก็มีจีพรงเติะจากพระสง้หมดเลยที่สงานม ท่านเดินไปชาติหกปีอะหกปีทั้งสมุทรฐนันหมดปีนี้จะเป็นะบาดรอจนถึงท่านรู้ก่อนเลยรู้ก่อนเลยเพื่อสังรารก็พาคณะอาจาร ย, ย์ไปเนียนจงดีจ้าตอนนี้ที่ชา ย, ยาง้อตัว ก <Ich. S 1> ็จะมีการที่เราจะเรียตัมหาบุรเปิดโครงการช่วยอรการนร่งเรืองนั่นแมหาบุรุษใจาเกาะนั่จแลหาวเเกาะ พี่ทำงานตุ๊กอยู่อะเงี้ยแลก็จัดโครงการช่ว ย, าย้านในหยกวันพ่อจังหวังจะช่วยนม่ง้วยเาตัวเี่ยต่อจกนั้นออกฉันทำเงินเยบะก็ถิ่ถท่านกะถิ่จันอร์ไป่ายในหยกมีสามงานกูทำอยกแล้วทตาเบือแล้วทงตัว ช่วยช่วยหมันตะ้ังห า, านะนะบุญประกาศนะเลยอาลาพรยันธาวะเลวหามุหาปริเบือนดีทางกนังห่วงน้ำที่เต็ม ย, มย่อมสมุดสามก่อนให้บอนิบุญได้ฉันได้เอวังเ่วันโตที่ัางเปานาง็นปตาหนังกาปติทานดินานวิจินไห้แตนได้โลกนี้ ยมประโยชน์น่าลุกนี้ระไดแล้วฉะนั้นจำต้องห้างคอยสะพอนที่ท่านปราถนะแล้วจำใจแล้วนิบตะเมวตะเมจันโตนจนทําเลโดยชาบันตําเพบริเวณสังกษ์บามครอความําดินเพิ่มเต็มเทจันโทอแบรนโตยันธรมเมืองดันจันในวันเพ็นมาลีทอเรลโตยันธาม มันแคมพันยันสว่างสวายควรยินดีพวนดุจาัพมังกรังก้อทธาตมงคลจะมกันทันรังคันดุจจักรเปเทวตังขรัวเทวดาอยู่รังสารทานสามพระพุทธานพาเวนามสามพ ร, รธรมานพาเวนามโดยหันพามแผ่บัธรรมสามพระสังขารพาเวนามโวยหันพามแผ่บันตอง ท่านทานตอนที่พระวันจะเจคความตวรรษใดเท่าย่มการทนถูกมือ